ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปะฏฐิยาณในวันนี้ก็คงเป็นกา ร, การขยายข้อความของขาาคำวิญญาณกรณีแปลว่ากระทาญาณให้บังเกิดขึ้นภายในใจอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนวิญญาณ น, นั้นทรงสแสดงไว้โดยนย่าเป็นอันเอ็กเพราะก็คือปัญญาหรือวิชาหรือแสงสว่าง น, นั่นเอง เป็นผลรวมของการปฏิบัติทั้งระดับของปริยัติทั้งระดับของการปฏิบัติแต่ก็ลดหลั่นกันขึ้นไปนะเก่อนก็ได้พูดมาถึงสี่ข้อคือมาถึงธรรมติฏฐานข้อที่ห้าเรียกว่าสัมมสนญาญปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลาย ทั้งสามการนะฮะแล้วกาหนดไว้คือพิจารณาให้เห็นถึงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ตั้งอยู่แล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปในปัจจุบันแม้จะมีในอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ พระเจ้าทรงสอนครั้งแรกแกท่านปัญจกีโดยตัวความก็คือว่าขันธ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีก็ว่าไปได้่อนี่ยแลมันก็สักแต่ว่าขันธ์ห้าเอาก็จริงมันไม่ใช่ของเราจริงเราไม่ได้เป็นจริงแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นตัวตนว่าเราจริงจริงประการต่อไปนั้น สำรวจบริเรียกยาวหน่อยนะตรงนี้เป็นวิปาาัสนาญาณนะเรียกว่าอุทยพย า, ยานุปาานัสนาญาณคือปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองแต่พอดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมันลักษณะเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ความจริงมันเกิดดับเกิดดับ ในช่วงตั้งอยู่ในจริงมันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ดับไปอย่างหนึ่งแล้วก็ในสุขมันจะเห็นดับดับระดับใกล้ๆกันน้ำที่ไหลลงจากที่สูงหรือการพังทลายของตึกมันไม่มีการเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดับๆๆดับดับับชีวิตเราจึงเป็นการไหลลงหรือตั้งแต่เกิดมาที่จริงมันเป็นการไหลลงเพียงแต่ว่าตอนต้นๆเนี่ยตอนเราเด็กๆแล้วก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงรางคนเนี่ย เราก็จะมักจะมองในแนวของการเจริญวัยคําว่าเจริญวัยก็เป็นภาษาที่น่าเอ็นดูดีเนะ่ยเจริญก็คือเจริญว่ายาเรียว่าเสื่อมหมายความว่าความเสื่อมนั่นเองไปปรากฏออกมาให้เห็นในรูปของความเจริญเราก็หลงหลเราก็ปลอยใจแล้วก็ปรารถนาแล้วก็ยึดติดกันแต่พอเลยกลางคนไปแล้วเนี่ยมันชัดเจนว่าไหลลงมันเป็นส่วนโคง้งสะพานอีกด้านหนึ่ง ถ้าเรามองชีวิตกับสะพานนะจะเห็นชัดเจนว่าสะพานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดินด้านหนึ่งแล้วไปจบลงที่พื้นดินอีกด้านหนึ่งชีวิตคนเราก็อย่างนั้นเนะี่ยมาจากดินก็จะคืนสู่ดินมาจากน้ำํำคืนสู่น้ําจากไฟกะสู่ไฟจากลมสู่ลมจากอากาศก็สู่อากาศไม่มีอะไรเที่ยงแท้มั่นคงพิจารณาจนเกิดเบื่อหน่ายคลายกําหนัด เห็นเป็นกระบวนการของการเกิดดับธรรมดาแล้วจากนั้นจะเป็นวิปัสสนาญาณนะฮะคือปัญญาในการพิจารณาอารมณ์อารมณ์ที่ตนสัมผัสในขณะนั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นก็แล้วแต่อะไรแต่อารมณ์อะไรที่ปรากฏภายในจิตของท่านนะแล้วก็พิจารณาจนเห็นจนเกิดเมื่อนายคลายกําหนัดในในสิ่งเหล่านั้นที่เคยยึดติดมาแต่ก่อน แล้วในสุดก็จะเห็นถึงไัยถึงทุกถึงไัยเรียกว่าอาทีนวญาณอาทีนบก็คือโทษนะฮะมาความเห็นโทษของสัตว์ของสังขารทั้งหลายที่เราไปยึดติดอยู่นะคล้คายๆกับอะไรล่ะมันมีพระพุ่งคนหนึ่งนานมาแล้วนะแต่เขาก็ตายไปแล้วเดี๋ยวไปเทศต่างจังหวัดปรากฏว่า เรือมันเสียไปถึงดึกแล้วไปถึงวัดนั้นแะดึกแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้สมัยก่อนถึงวัดก็ปรากฏว่าวัดก็เลิกงานแล้วก็หาที่นอนไม่ได้คือไม่รู้ว่าสมผานอยู่กุฏิไหนจะไปหาใครก็ไม่รู้พอดีก็เห็นที่ศาลาวัดเนี่ยมันมีม้งกลางอยู่มงหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปก็เห็นคนนอนอยู่คนนึ่ง แกก็ไม่มีมุ้งหรอกแต่ก็ถือว่าเออก็มีคนนอนแล้วก็ได้นอนเพื่อนในคนนอนเพื่อนก็เห็นเป็นผู้ชายนี่ยนอนอยู่เนี่ยก็เออก็ก็นอนใกล้ๆก็โยมนี่แหละพอรุ่งใกล้รุ่งเนี่ยคนก็มากันแต่ก็ะจกใจตื่นน่ก็รู้สึกรู้ว่ามันเป็นศพปะตินอนทั้งคืนนอนกับศพแต่ตอนนอนตอนไม่รู้ว่ามันเป็นศพก็สบายดี พ่อปูนนะมีโยมอยู่เป็นเพื่อนพอรู้ปรเป็นศพทันเร็งก็สะดุ้งโหยงเลยรีบรูปรวมบริขารก็จ้ำหนีออกจากที่นั้นทันทีเลยเพราะการเกาะกลุ่มการยึดครองสิ่งทั้งหลายในด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยพอเราพิจารณาดูจริงๆเนี่ยสังขารจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว มันมีแต่โทษมีแต่อันตรายที่สิ่งที่ให้ความกำนัดเพื่อเพลินงชื่นชมยินดีกับเราเอาก็จริงเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขเทียบกันแล้วนี่เปอร์เซ็นทุกข์นี่มากเกิน เ, เปอร์เซ็นสุขมันมีอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองพอจากนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันก็เดินตรงนี้ที่จริงจริงเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยท่า น, นับอย่า ง, ง น, นั้นนะเพราะว่าในรายละเอียดพอธรรมะมันสูงขึ้นเนี่ย จะนับเป็นขณะขณะมันเร็วมากนะเร็วกว่าวินาทีมันเกิดภายในจิตในพุทเดียแต่พอเรามาพูดมันก็พูดยาวอธิบายยาวแต่สิ่งที่ท่านเห็นภายในจิตนีที่จริงเห็นแล้วก็รวธไปเลยพอถึงจุดหนึ่งพิจารณาเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารุเปกขายานคือปัญญาในความรู้สึกวางเฉยในสังขารทั้งหลายไม่รู้สึกกยินดียินร้าย มันจะสึกดีใจเสียใจการพลาดพลาดขลุ่เสียการเสื่อมสลายอะไรแต่ใ่ก็รู้สึกเฉยๆก็ธรรมดาก็ถึงธรรมดานะฮะแต่เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราอยู่คุ้นเคยกับสมมติว่าบ้านเรามีตะลิงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าน้ำมันซ้อ พ, พังอยู่เรื่อยก็ดูว่าธรรมดานะธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าบ้านเราเกิดพังกันมาเนี่ย รู้สึกไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพราะเราเอาของเราเข้าไปเกี่ยวนะที่ดินของเรามันพังเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สงบแหลแต่ถ้าของคนอื่นเนี่ยเราไม่เอาใจเข้าไปเกี่ยวเกาะเวลาตะลิงมันพังก็รู้สึกเป็นธรรมดาแล้วกลายเป็นความวันเฉยไปจากนั้นมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าโคตรปุญญนปัญญาในการออกและการหลีกไปจากสังขาร นิมิตภายนอกคือจากการที่จิตมันไปเกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์อะไรเนี่ยก็อมองเห็นโทษของการการประยึดติดเพราะตามปกติเราเจ็นว่าจิตมันจะวิ่งนะเช่นเช่นสมมุติว่าอันนี้คิดไม่ได้อันนี่คิดไม่ได้นนดไก็วิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปเรื่อยๆตอตอน้ตอนจึงพูดเรื่องอารมณ์ในการทั้งสามโดยโดยปกติคนทั่วไปถ้าเราลองสังเกตดีเนี่ย คนแก่ๆเนี่ยจะอยู่กับอดีตเพราะาดีสําหรับคนแก่แล้วน่ากํำนัทเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่ท่านก็อยู่ในโลกของความฝันโลกของความหลังเพราะว่าเอามานั่งเล่าให้เด็กฟังด้วยความเบิกบานนะเพราะเด็กไม่เห็นท่านก็เล่าสบายของท่านไม่มีการกัดคอพวกเด็กๆนี่แกยังไม่มีอะไรอ่ะแกก็ไขว่คว้าเรื่องอนาคตเพราะจะมีการปรุงแต่งเรื่องอนาคตกูวิ่งไปหาอนาคตมาก ทีนี้คนที่กำลังทำงานประสบความสำเร็จเนี่ยจะเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่กับปัจจุบันเพระาะฉะนั้นเวลาปฏิบัติพัฒนาจิตใจไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตไม่เกาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะฮะวิ่งเกาะไปเรื่อยๆก็มองเห็นโทษที่จะหลีกออกจากอารมณ์เหล่านั้นจากนั้นก็จะเป็นเรียกว่ามักคยาน คือปัญญาในการออกและก็หลีกไปจากกิเลสจากขันจากสังขารจากอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาเนี่ยที่อยู่ภายนอกสิ่งเหล่านี้บางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกว่าอุปธิก็ไม่ค่อยเจอบ่อยหรอกคือหมายความว่าขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ใจเราไปกําหนดเราเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวของตน ข, ของเราเนี่ย เดี๋ยวถ้าเราไม่กําหนดมันก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรนะถ้าลองสังเกตว่าเช่นความตายความเจ็บไข้อสองอย่างนี่คนไม่ค่อยชอบพรก็จริงปัญหาว่าใครตายถ้าคนตายนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเรารู้สึกลึกๆเรายินดีนะอาจจะไม่กล้าแสดงทางสีหน้าท่าทางออกมามันน่าเกลียดแต่ก็รู้สึกลึกๆก็ยินดี แลคนที่เราเฉยๆมันก็รู้สึกเฉยๆเรื่องเยอะข่าวกร า, าวคนตายวันนึงเมื่อเท่าไรเอานิยายะไรเพราะฉะน้นคนที่สร้างปัญหาให้แก่เราก็คือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราอะญาติเราพวกเราพี่น้องเราพ่อแม่เราใกล้ชิดเท่าไร่แล้วก็ยุ่งเท่านั้นเลยทีนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าไอ้ น, นี้มันกฎธรรมดาของมัน เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไปคาดหวังสิ่งอื่นได้ยังไงเพราะมันไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ค ง, งทนเที่ยงแท้ถาวรแม้รเราโคตเจ้าอย่างเข้าสู่นิพพานเราจะเอาอะไรล้วก็ทำใจได้ก็เห็นโทษของกิเลสว่าขันเนี่ยมันสร้างปาัญหาแก่เรามันอยู่ที่กิเลสกูปท า, านเดี๋ยยึดถือเอาเท่านั้นเองยึดถือโดยอำนาจความใคร่ ยึดถืออำนาจความเห็นแล้วยึดถือด้วยอำนาจการประพฤติปฏิบัติต่างเราก็ยึดถือด้วยความเป็นตัวเป็นตนสรุปว่ายึดถือด้วยอำนาจตระหนักรฐินและตลอดถึงสังขาร น, นิมิตคือสิ่งที่กำหนดหมายข้างนอกเนี่ยอะไรก็ได้นะแต่สรุปแล้วมันก็คือรูปเสียงกินรสพทัพัที่เราเรียกว่า การมาคุณหรือว่าบ่วงของมานหรือเรื่องผูกของมานหรือพวงดอกไม้ของมานะฮะก็แล้วแต่ภาษาบาลีเรียกยัง้งต่อไปมันจะเกิดญาณอย่างหนึ่ ง, งขึ้นมาเรียกว่าผลญาณคือปัญญาในการระงับการประกอบการกระทําการเกี่ยวเกา ะ, ะการสายไปของจิตคือจิตไม่ไปยินดียินร้ายกับอะไรการลงเหล่านั้น แล้ในที่สุดเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเขเรียกว่าวิมุตติญาณปัญญาในการเห็นถูกปกิเลสอะเยมักที่ตนตัดได้แล้วคล้ายๆกับคนป่วยนะฮะ้ายๆคนป่วยที่หายป่วยแล้วรู้ว่าเราหายป่วยแล้วอันนี้ก็คือแนวของญาณที่เคยพูดไว้ต่อพระพุทธเจ้าสัจจรู้นะคือข้อที่เรียกว่ากัตญาณคือปัญญาที่เกิด พุดขึ้นมารู้ว่าทุกทุ ก, ทกควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วทุกขสมุทยัยทุกขสมุทัยควรละเราได้ละแล้วทุกขนิโรธทุกขนิโรธควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมรรคทุกขะนิโรธคาม่นีปฏิปทาพึ่งง่ายว่าอริยมรรคมนอแปดประการควรเจริญและเราก็ได้เจริญนแล้วทีป่ประการหนึ่งเรียกว่าปัจจเวคขาาัญาณ ปัญญามาพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่มันเกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันสมมุติเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ปีนาแยกแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปนีค่คล้ายๆกับแยกอะไรล่ะเอาช่นน่ะผมขนเล็บผันหนังเอาง่ายๆเนี่ยผมขนเล็บผันหนังที่ปรากฏเกาะกลุ่มขึ้นมาแล้วกําหนดรักใคร่เพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีเป็นสวยเป็นงามเนี่ย ที่จริงมันมันก็เป็นศักดิ์แต่ว่าผมคนเละบันหนังแล้วโดยสีโดยปิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยสันฐานโดยการหลุดพ้นจากสถานที่เนี่ยไม่น่ากำหนัดเพื่อเพื่นยินดีด้วยกันทั้งนั้น้สุดจิตใจก็จะถ่ายถอนความกำหนัดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นลงไปวัตถุนานันตญาณนะ ปัญญาในการพิจารณาเห็นความต่างกันแห่งวัตถุแต่ในสุดก็จะจะเห็นเรื่องความเหมือนกันมันต่างกันแต่ว่าจริงๆมันมีความเหมือนกันก็คือตกอยู่ในกฎของปัจจัยหลักด้วยกันตราบใดที่ว่ามันเป็นสังขารเนี่ยมันอาจจะมีต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วจะเหมือนกันในแง่ที่ตกอยู่ในกฎของปัจัยลัก เพราะท่านยังบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือพูดทั้งปวงไว้หม ด, หมดไม่เหลือเลยยิ่งคาว่าทำทั้งปวงนี่หมดคือทั้งเป็นสังขารทั้งวิสังขารแล้วข้อต่อไปก็เรียกว่าโคจระนานติยานปัญญาในการกําหนดเห็นความต่างแห่งทางดําเนินแห่งโคจรนะคือทางดําเนิน ความคิดก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีเล้คการไปการมากสิ่งทั้งหลายก็ดีเห็นใมีความแตกต่างตลอดถึงการท่องเที่ยวในสังสารวัตรคือจะจะมีความแตกต่างก็แล้วแต่ขนาดไหนแล้วแต่ท่านจะเห็นขนาดไหนนะท่านจะดูขนาดไหนก็แสดงข้าถึงกฎก็าถึงกฎธรรมชาตินั่นเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเหมือนกันมันมีความแตกต่าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกันก็เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เหมือนกันหมดมีสามอย่างในนั้นเด็กคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดแก่ตายมันก็มีแค่เนี่ยอุปาติติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เกิดแก่ตายหรือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาพวกนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสูตรที่เสมอกันในสังขารทั้งหลาย ก็ต่อไปนั้นเรียกว่าจริยา น, านันตยานคือปัญญาในการกำหนดเห็นความต่างแห่งจริยาจริยาก็คือความประพฤติการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเราอาจจะสรุปรวมถึงจริยาที่บุคคลประพฤติปฏิบัติโดยเทียบโครงสร้างของพุทธจริยาเรออาเห็นว่าในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของของครอบครัวของสกุลวงศ์ แต่ละคนก็มีพฤติกรรมต่อสกุลผงที่แตกต่างกันบวกบ้างลบบ้างนะฮะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมโลกเป็นประชาคมโลกบุคคลเราก็มีปฏิกิริยาต่อประชาคมโลกที่แตกต่างยิ่งยอดไม่เหมือนกันและในฐานะที่ตนเป็นอันนี้มันมันมันชัดนะฮะตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ต่างกันก็ทาให้เราเห็นว่า เรามีตำแหน่งหน้าที่การงานมีกรอบขอบข่ า, ขายความรับผิดชอบที่ยิ่งย o อนแตกต่างกันออกไปแล้วก็ภูมินานัตยานปัญญาในการกําหนดเห็นความต่างแห่งภูมิอันนี้ก็ภูมิก็คือสถานที่เกิดหรือภูมิก็คือชั้นของจิตสภาพจิตเนี่ยก็แล้วแต่นะสถานที่ที่คนไปเกิดกามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิมรูปาวาจรภูมิ แล้วก็ภูมิจิตของคนในแต่ละขณะว่าจิตของเขาเป็นยังไงมีอยากเป็นกลางมีละเอียดอย่างไรเช่นสมมุติปัญญาในเรื่องเหล่าเนี้ยก็ยังรู้ลึกได้ขนาดไหนเป็นไรแต่ว่าเพิ่งสังเกตว่าสมบพนทั่วไปเนี่ยดูที่ตัวเองเลยก็ได้ทั้งนั้นดูคนอื่นอาจจะมีปัญหาดูตัวเองจะได้ระดับหนึ่งแน่นอนมันต้องผ่านด่านความเห็นแก่ตัวความหลงตัวเอง ตามปกติแล้วคนเราก็จะมองไม่ค็ยเห็นโทษตัวเองนะแต่จะชัดเจนในโทษของบุคคลอื่นโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองที่ชินนินทาฝนเว้นโตตนท้าปูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูตรนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์โลกแม้แต่คนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเราลองดูในข่า ว, าวกราฟที่เขพูดเแสดงอะไรอะไรกัน มันนู่นอีคนผิดนะเก่งมากยี่แต่คนถูกทั้งนั้นนะคือผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเราก็ไม่ใช่เทวดามาจากไหนนะเทวดายังผิดเลยพระพุทธเจ้ายังเคยทําผิดเลยก่อนพระเ ป, เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วทํำไมเราผิดบ้างไม่ได้นั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าเราหลงตัวเราเองภาษาไทยเวลาเนี้ยที่ชอบพูดกันมากเรื่องนี้ผมอธิบายได้ พูดน่าเกลียดนะเรื่องนี้ผมอธิบายได้มัน อ, ธ, นนน อ, ธ, นอธิบายได้ทั้งนั้นแหละค่าคนตายก็ยังอธิบายได้เลยรักขโมยก็ยังอธิบายได้อธิบายได้ทั้งนั้นค้ายาบ้าก็อธิบายได้แต่ปัญหาว่าเรารับผิดชอบต่อความถูกต้องดีงามกฎกติกาไปในสังคมมากน้อยแค่ไหนถึงไาไรพ้นภูมิจิตภูมิธรรมภูมิรู้ภูมิฐานตลอดถึงภูมิที่จะนําไปสู่พบต่างๆ เป็นเรื่องที่จะตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแต่ละคนตรวจสอบภูมิจิตตัวเองว่าท่ า, าทีเพื่อแง่ว่าท่าทีต่อเรื่องทั้งหลายเนี่ยเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะมีท่าทีอย่างไงที่เรียกว่าถูกต้องนะบางครั้งบางคราวก็หนาวไปก่อนฝนบางครั้งบางคราวก็ลำเอียงเกินไปบางครั้งบางคราวก็กลัวเกินไปนะบางครั้งบางคราวก็รู้สึกว่า มายุติธรรมเป็นต้นเนี่ยซึ่งในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเรามองกติกาของสังคมบางเรื่องเนี่ยนะมันไม่ยุติธรรมอะแต่มันก็เป็นกติกาที่จะว่าอย่างไงเมื่อเราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเราก็ต้องยอมรับที่ให้ถือว่าเป็นยุติธรรมทั้งหมดมันคงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยก็สร้างขึ้นมนุษย์ที่มีกิเลส มนุษย์ที่มีริษยามีแข่งดีมีเบียดเบียนมีโมหะมีอะไรแต่ไรนี่ก็ขีดเขียนขึ้นมันก็ฟังได้เท่าที่ขว้งได้แต่ถ้าอเอาเกณฑ์เราธรรมะเข้ามาเป็นมาตรฐานแล้วจะชัดเจนมากเลยพนะาบางอย่างมันเป็นมาตรฐานที่ต่ำเกินไปแต่มันก็ปรับตามสภาพของคนที่เอากฎหมายนี้ไปบังคับเพราะเก่าต่ำเกินไปเรือต้องใช้ตช้องใช้มาตรการตรงนั้น นายคนสามารถจะหลุดรอดจาก้ความผิดพลาดปกคลองตัวเองไปได้ประการต่อไปนั้นธรรมานัตญาณปัญญาในการกําหนดเห็นความต่างแห่งธรรมทั้งหลายต่างโดยลักษณะต่างโดยกิจต่างโดยสิ่งที่เราสัมผัสต่างโดยตัวกระตุ้นในบังเกิดเพราะว่ามันจะมีความต่างเข้ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนสองภาคในกุศลกับอกุศลนี่ต่างกันชัดเจน แล้วในความเป็นกุศลด้วยกันเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่พอดีพวกนี้ก็เข้ากันได้นะะเหมือนน้ํากับน้ําในเข้ากันได้น้ํามันกับน้ํามันในเข้ากันได้แต่ว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยที่จริงมันต่อสู้กันจะทําลายฝ่ายหนึ่งไม่รู้ใครทําลายใครอ่ะขึ้นดูว่าใครมีปริมาณมากกว่าเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเรามีความเมตตาเข้ามาก แต่เขาทำเลวร้ายมากเกินเราเกิดโกรธปัญหาว่าโกรธมากกว่าหรือเมตตามากกว่าแต่ละฝ่ายในยพร้อมจจชนะถ้าเขามีพลังมากกว่านั้นก็แสดงเห็นตั้งความแตกต่างของของธรรมะที่เป็นเป็นปฏิปักษคือตรงกันข้ามและธรรมะที่เป็นกุศละกุศลในแต่ละสายเองมันก็มีความแตกต่างกันเราก็กาหนดแยกแยะออกไป ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดูเวลามันเกิดภายในใจเนี่ยเพื่อจะจำแนกเป็นคุณเป็นโทษให้ชัดเจนและจะเพิ่มพูนขึ้นด้วยคาจัดออกไปก็สามารถปฏิบัติไปได้ตามสมควรแก่กรณีต้องฟังทั้งหลายแต่หลงพระพุทธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นรเนีที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี